No, no, no. มีเรื่องที่จะชวนทำชวนคีดก่อนทําก่อนพูดให้มีหลักมีฐานชั่หน่อยชีวิตเรานะหลักฐานของเราควรจะมีสองอย่างคือทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกก็ขยันหมั่นเพียรหาบุตฐานและสมบัติพร้อมขยันหมั่นเพียรหาได้ก็รู้จัก ร, รักษาและรู้จักใช้ โดยจะเจ็บ้อมหลอมริบก็เกี่ยวข้องกับคนหลายคนซับภายนอกจะมีปัญญากันบ้างจะเป็นแรงค้ามาการข้ามหนีต้องร่วมมือกันจึงจะรักษาทรับไว้ได้ถ้าไม่รู้จักรักษาก็เศรษฐีกลายเป็นคนยากจนได้คนถ้ารู้จักรักษาคนจนกลายเป็นเศรษฐีได้ เศรีไกลเป็นยาจกถ้าไม่รู้จักรักษาคือซับภายนอกก็มีอะไรหลายอย่างสมัยั้งพระเจ้าเนะ่ยเริ่มต้นจากข้าสุโธธนะสุโกธนะโกโทธทนะอมิโตธนะหมายถึงข้าวทั้งนั้นเป็นใหญ่สมัยก่อนแม้แต่ยุคสมัยหลวงตาเนี่ยก็มีข้าเป็นใหญ่ไม่เคยมีเงนินไม่ทองหรอกได้ข้าวมาจากการทำนา ใช้วัวใช้ควายร่วมมือร่วมแรงงานทําทุกคนตั้งแต่เด็กๆรัวเล็กๆ ก, ก, ก, ก็มีส่วนรู้ส่วนเห็นการทํานาอายุเด็กต้อง อ, ยอายุสองสามขวบไปลอยน้ําอยู่ในทุน่งนาจั บ, บวัวจับควายร่วมกันอยู่แต่ข้าวว่ใส่ยุ่งใสฉางมีข้าวอย่างเดียวออื่นก็เบขึ้นมาเป็นที่แปรของศพ ต่างๆเกิดขึ้นได้ทุกวันนี้เขาก็มีเงินมีทองหาเงินได้เงินมาก็ให้เหมือนมีข้าวแต่สภาพเป็นอะไรก็ได้เป็นบุหรี่เป็นเหล้าเป็นเครื่องเสพติดเป็นสัตาบุษประหัตประหารกันเสียคู่เสียคนไปก็พาะเงินก็มีเหมือนกันไม่เหมือนเมฆข้าวสมัยโบราณสมัยโบราณไมฆข้าวเวลาเราไปทํานาตอนเช้าแม่บอกขึ้นตักข้าวไให้ เพื่อจะระลรกอะไรต่างๆแต่ให้คนมาขอทานด้วยขึ้นตักข้าวมาใส่ตะกร้าให้แม่ไว้ทำนากลับมาบ้านแม่ก็เลกของฝากทั้งหลายไว้มีของอยู่ของกินแต่สภาพจากข้าวไปมากมายหลายอยา่างทำคนทำทานแต่เยอะๆ เ, ออเงินทองเนี่ยมันก็ทำให้คนเป็นคนชั่วได้ได้เงิน ปีนึ่งสามื่นบาทแต่ข้าวปีหนึ่ ง, ส, มมงสักร้อยติปมันก็ไม่ค่ามากกว่าเงินสามหมเพราะใช่กันในหัวหน้าครอบครัวแต่เงินทองน่ยใช่กันแม่เด็กตัวเล็ ก, กอายุสามขวบไปเสื้อสิงเชื่ออาหารการกินข้าวหนมมากินแล้วแม่จะมาบ้านต้องไปจ่ายเงินให้ลูกน้อยอายุสามปีสี่ปี เงนแช่ง ก, ก็เป็นมันก็แปลสภาพเป็นอลไรก็หละเงินทองอ น, นี่หอยจึงทรัพย์หายนอกเป็นสังหารเรือทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เคลื่อนไหวในง่ายใส่กระโปไปอสังหารเรืทรัพย์เนี่ยเคลื่อนไม่ได้ซื่อไล่เื่อนาเชื่อบ้านเชื่อเรือนอะ น, นั้นเป็นอนสังหารเรือทรัพย์บางคนก็ซื้อที่ดินที่ดอนไว้ไม่เงินไม่ทองก็ ด, ดีแต่น้อย คนโ บ, บราณเราก็ซื้ออย่างนั้นเวลาไปแต่งงานลูกสาวลูกชายอาจจะไม่มีเงินไปผูคกค้อผูกแขนบางทีคนโบรานเนี่ยเอาหมูน้อยไปโยนใส่ข้อไว้นมสาวลูกเต้าเราหลานใครจะแต่งงานบางทีก็เพียงพ่องหมูค้อไก่ไว้เวลาญาติไปร่วมงานสมรสอุ้มหมูน้อยไปที่งยงใส่ค้อให้อุ้มไก่อุ้มเตดไป ถ้าญาตผู้ใหญ่ก็ชงวัวจงควายต่ให้ใส่ข้อไว้เป็นเสินสอนตั้งให้เขาไม่ถ้วยไม่ชามไม่จอกไม่เสียม ต, ต่ตาเคยไปแต่งงานคนว่านวิถีไทยเลี๋ยวนมนไปเป็นญาติผู้ใหญ่ไปซื้อจอบไปเล่อมหนังซื้อเสียมไปเล่อมหนังเอาจอบไปให้ปลูกแขนเขาเอาเสียมไปเอามีดไปเหมือนก็บโราณก็บอกว่ า, วานี่แหละกับโบรานก็นี่แหละ เราทถ้าเขากต้องการเงินอสังหารมทรัพย์มันก็เป็นทรัพย์ที่ดีเหมือนโบราณคนโบราณเราว่าคนไทยกินเหล็กคนเจ็กกินดินใช่ไหมกินยังไงคนจีนนี่ต้องซื้อที่ดินเลยคนไทยซื้อเหล็กซื้อลวดซื้อลากระนเป็นแถวมองก็เลยต่างกันไปอสังหารมิซับอสังหารมิซัพย์อันรัพย์ไหนบ้างเ น, ในี่ะคือสติ สตินี่แปลไปเป็นซัพ์ได้หลายอย่างแล้วก็ซัพ์ภายนอกใช่ได้เฉพาะแคบๆได้เลยเพราะแคบๆในหมู่แลือการทับบนบ้างสร้างว่สจ้างว่าบ้างเป็นประโยชน์บ้างอันซับไปไหนเนี่ยใช่ได้เป็นล่นโลกไปเลยเรางมีสติก็ไมีทานไม่ศินมีสมาธิมีปัญญาไม่เมตตากรุณาเป็นวนเป็นกุศล คนอื่นก็อาศัยได้มีสติเนี่ยเป็นบนุญเป็นกุศลเป็นอะไรหลายอย่างจากความรู้สึกตัวน่ะเป็นมากเป็นผลไปโนนแล้วเป็นประโยชน์ส่วนรวมแม่ในภพนี้ด้วยในภพนั่นด้วยสติตัวน่ะที่เรามีอยู่ในกายเราเน่ยลองมีสติดูสิไปในกายไปในจิตมันไม่เจากไม่จน ไม่ได้พกในหอ่ออยู่กับกายอยู่กับวาจาอยู่กับใจเราเลยจะแดงออกเป็นบุญแล้วความชั่วทําความดีได้ทุกโอกาสทุกกรณีวนถนนหนทางใช้เป็นสายธนะารณะผมรู้จักตัวแนะ่จึงจาเป็นจำเป็นชีวิตของเรานะ่ะขาดไม่ได้คือทรัพย์านายมันเป็นสิ่งที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม โจนผล่ก็พน้นขี้ไม่ได้คโงยลกักอ็ไม่ได้มันเป็นสมบัติของเราเป็นมนุษย์สมบัติคู่กับชีวิตของเราจริงๆคู่กับกายคู่กับใจกับชีวิตของเราทุกๆ ก, กรณีทรัพย์ภายในเนะี่ยเราจะขัดสนอย่างนี้มันก็อาภัพภายในอาจจะไม่อาภัพภายนอกถ้ามีเงินไม่ทองบางทีคนไม่เงินไม่ทองเป็นโรกขาดอาหารก็ได้มันหมกมุ่นคนคิดแต่เรื่องทรัพย์ เรงเงินเรื่องทองอันซับายในนี่มันอุดมสมบูรณ์ตื่นก็สุขสบายหลับก็สุขสบายอิ่มบอกอิ่มใหญ่ไม่เบกินข้าวก็ยังอิ่มบอกอิ่มใหญ่ไม่ขาดแคลนแล้วก็หาไม่ยากเหนือนซับไปนอกไม่มีแหล่งหลังคนอีสานคนมัณฑนอกหาเงินแหล่งเงินในกรุงเทพต่างประเทศก็ไม่ ประเทศเกาหลีได้คนไทยไปทำงานเป็นแสนแสนเขาเปิดรับมานคนไทยไปค่ายาเสพติดเขาจับได้ร้อยกว่าคนไปหาเงินแต่ว่าไปทำชั่วเหมือนกันอันทรัพภายนอกมันเป็นอย่างนั้นถ้าไปไห น, นีไปเถอะไปทางไหนก็ได้แ้วก็ไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายอันโกวกสอกยาววาหนหาคืบที่ชีวิตของเหล่านี้ไม่ต้องเงยไหลก็ได้ แต่ว่าไม่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่หนึ่งที่สองเป็นส่วนตัวส่วนตัวเวลาหาซับไปในเนะี่ยเป็นส่วนตัวเป็นตัวเข้าไปเลยทิ่มตัวลงไปเลยทั้งกายทางังจิตอ่อยุ่มย่อมเข้าไปย่อมเข้าไปสัมผัสเข้าไปต่อกันเข้าไปมีได้ทุกโอกะก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดขณะที่พูดที่ทําที่คิดใช่ลงไปซับไปในเนะี่ะ มันก็เอาใจได้เย่งๆนะไม่ขัดไม่สนเป็นอมตะไม่หมดไม่สิ้นยิ่งใช่ยิ่งมากยิ่งใช่ยิ่งสะดวกสะดวกส่วนตัวสะดวกส่วนประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยความรู้สึกตัวที่เราสร้างอยูเนะ่เมื่อมีสติแล้วมันไม่อะไรมากมายหลายอย่างมาเป็นพวงเป็นพวงเลยไปได้แต่พึ่งตะเวรไปไ ป, ไปทางไหนก็ได้ กายกรรมวจีกรรมโมโกรรมไปต่อไปสิ่งอื่นวัตุอื่นก็เป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษเหมือนกับทรัพย์ภายนอกไม่มีโทษมีภัยอะไรอันนี้อาเียทรัพเป็นทรัพย์ประเสริฐเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกเราจึงเกิดมานี่จะให้จนเรื่องนี้กันถ้าจนเรื่องทรัพย์ภายในเน่ มันจะอาภัพกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆคิตของคนเราเนะ่ะมันไม่ีสมองหวนขวยกันบ้างชีวิตหนึ่งเดียวนะี่ยวนขวยไปเราทําความรู้สึกตัวเราสร้างความรู้ตัวก็ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไปโดยที่เดียวจึงอย่าให้ขาดแคลนเราอยู่ร่วมกันในโลกเนะี่เราใช่แผนดินท้องฟ้าที่ไหนๆร่วมกัน อันชาตมีชัติภายในเรามันก็ปลอดภัยไปหลายอย่างถ้าขาดชัติภายในก็ไม่ค่อยปลอดภัยเพราะชีวิตเราร่วมกัดแม้เหมือนชัติภายนอกชาติภายนอกจะไม่ปลอดภัยเฉพาะตัวเรามัชนชาตปายปลอดภัยต้องหมดเลยแม่เจดินว่าอากาศตอนไหว้หมดแมลงสัตว์อะไรทัางๆ ท, ท, ทั้งหมดเลยเนี่ยมันต้องนี่แหละคือคุ้มของโลกกับบาด การคุ้มครองโล ก, ก บ, บาลไม่ใช่สตาอาวุธคุ้มครองโล ก, ก บ, บาลคือเกิดจากเราเนี่ยแต่มันคุ้มกอกโลกบาลมีอะไรโลค ก, ก บ, บาลคือบาลคือรักษาโลกคือโรคกงหมดเลยมีสติสมัมชัสรก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดขณะที่พูดที่ทําที่คิดอยู่มันคุ้มครองโล ก, ก บ, บาลไม่ทำให้อะไรเดือดร้อนไม่ใช่ว่าตัวบทกฎหมาย ไม่ใช่ว่าจะเป็นอำนาจที่รัฐธรรมนูญที่สร้างขึ้นมาก็ขฉีกทิ้งอันนี้มันไม่ได้ขีกไม่ได้เปลี่ยนแบบตลอดชีวิตเลยมานานแล้วดังแต่พระสิท ธ, ธัตถะได้คนพบรองในเพื่อ น, นมบัติของมนุษย์เก่งๆเราก็มีสิทธิร้อยเนที่จะสร้างอะทรสักไปไหเกิดขึ้นร่วมกันในสัตว์โลกทั้งหลาย ไม่เหมือนสิทธิทางชาภายนกชาภายนอกเราจะไม่มีสิทธิด้ยความรู้ความสามารถแล้วก็เพี้ยนไปดินผ้าอากาศภาพผลไม้ตกต้องตามฤดูกาลบางทีก็แล้งบางทีก็ท่วมบางทีก็เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นปัจจัยอย่างอื่นน้ำมันแพงค่าแรงถูกหรือเงินเฟอ้อหรือหรือจิตล่มสลายรองสบู่อะไรเขาว่ากันไปตามนคน กะดุดกับเรื่องอาการภายนอกมันเกี่ยวข้องกับอะไรหลายอย่างซับภายนอกแต่์ซับภายในเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยแล้วก็เมื่อไมีซับภายในเร า, าใช่ซับภายนอกถูกด้วยมันสมบูรณ์ไปเลยเราจึงเอาอันนี้ไว้ปนเถอะชีวิตของเราหนะให้สมบูรณ์ยาขาดแทนเราวใดที่หลงตัวถือว่าระวังให้ดีต้องตจำกัดไปได้ ปาะมาหลงไปในความคิดหลงไปในความลักความชางังหลงไปในรูปรสกลิ่นเสียงหลงไปในอะไรต่างๆเฉรษที่หลงก็มีทางสูญเสียเหมือนกันนะทับย์ภายในนะสูญเสียเหมันกันสูญเสียไม่มีใครทำให้ไม่เจอเราเนี่ยแหละแล้วก็เราเนี่ยก็รักษาได้เช่นมันหลงไปรูปก็รักษาได้อะไรที่มันเกิดความไม่รู้ที่มเอามาเป็นตัวรู้มันพอเพียงมันมันม่นใจ ในการสร้างฐานะแบบนี้มันมั่นใจจริงๆถ้าเราขาดสภาพเพี้ยนี่แล้วไม่มีค่าเลยเราคนเราไม่มีค่าจริงๆบเบะมือเลยไม่มีค่าอะไรลๆเห็นไหมคนตายเอาเงินใส่มือให้ก็ไม่เอาเงินทองเยอะๆใส่มือให้ไม่เอาเราเอายัดใส่ปากเหรียญก็ไม่เอาเหรียญไปเผาเรายังไปเขี่ยเอาเขินไหเงินเหรียญเงินบาทบอกว่าเอาเงินใส่ปากให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้เต้าไป แล้วเผานับด้วได้แล้วบาทเนึยงยังอีกกว่าทดงสองบาทถ้าเอายันเอาคืนหมดเลยไม่มีอะไรแล้วเพราะนั้นบุญกับบาปเนี่ยเท่านั้นที่เป็นคู่ชีวิตของเราแต่บาปเนี่ยละได้บุญทําได้ความหลงเป็นบาปความรู้สึกตัวเป็นบุญเอาบุญอยู่ในบาปนั่นแหละเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ทำบุญตรงนี้นอกนั่นก็ช่วยคนอื่นจริงหรือวัตถุอื่นอะไรที่มาไม่ดี แล้วก็มีส่วนร่วมในการทำให้ดีกัแบบโลกเขาเขาว่ามันก็มั่นใจนะมั่นใจตรงนี้มากๆเลยทำไหมคนเราจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงมาทำอย่างนี้มันก็มั่นใจไม่มีขาดแขนไม่มีอาภัพตรงนี้แม้ทำไได้ก็ยังมั่นใจอยู่เรื่องทรัพย์ภายในแหละให้เหมือนทรัพย์ภายนอกวันทีก็ใช่ เช่ไม่ได้ในบางกรณีเช่นประเทศพม่าเนี่ยจะสร้างบ้านต้อขอญาตจากรัฐบาลตั้งแตนไปถ้าขอสร้างเท่าไหร่เอาไปยื่นขออนุญาตสร้างได้เงินเท่าไหร่บ้านขนาดนี้ถ้ารัฐบาลดูแล้วสอบสวนตามฐานะจําเป็นที่จะสร้างบ้านไหมถ้าเขาประชงวันเขาก็พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรแทนที่จะ ไม่สร้างอย่างเดียวไม่พอต้องยึดทรัพย์ที่จำกัดจะสร้างบ้านอีกอาว่าว่าจะเป็นต้องชช้เอามาให้รัฐบาลไปพระตาประเทศชาติดีกว่าแต่มัก็ใช่ไม่ได้บางทีทรัพย์ไปเนอกแ่ทรัพย์ไปไหนเราเนี่ยใช่ได้ทุกกรณีเลยอ่าเมตตาคุณอาลงไปมเมตตาผ่านไปตรงไหนร่างบางแห่งความชั่วคุณอาผ่านไปตรงไหน อ, อ่าเอาคนที่มีปัญหาขึ้นมา ด้านหัวคิดปัญญามืิตาลงไปตรงไหนเสมอภาคง่ายเลือกตรรลก์มักที่ทางโอเวขาไปตรงไหนเป็นมิตรภาพราบเรียบไม่มีขึ้นในชีวิตเรียบไปเลยเหมือนแผ่นดินมันเรียบไปเลย โอเวขาเรียบไปเลยแต่ต้องใช่เมตตากรุณาเมตติก่อนจะก็ไปใช้เวขาไม่อยู่ๆจะไปใช้เวขาเลยไม่ได้เพราะมันเป็นข้อสุดท้ายต้องมีเมตตาําก่อนกรุณานำก่อนเมตตานำไปก่อนเราใช้สามข้อนไม่ได้ก็ยังโอเกขาเมื่เราจะช่วยผู้ช่วยคนม่ายช่วยเราก็เหมือนกันหายใจไม่ได้ก็วางเลยแลวก็สดยอดเลาสบายแล้ว ก็ยังช่วยไม่ได้ก็ยังเป็นทุกข์เสีย อ, อกเสียใจร้องไห้มันก็ลงโทษมันจะมีทำสามสี่ข้อนะี่ยเป็นกระบวนการที่ทําให้ไม่เกิดปัญหาก็ถ้ามันมีอุเอขาเราก็ก็ไม่ถูกต้องหายใจไม่ได้ทำไงทำไงที่ 1, 4, หนึ่งที่สองก็หายไม่ได้สามครั้งสี่ครั้งก็หายไม่ได้หว่างะมันก็สุดยอดแล้วชีวิตของเราเนื้อเนือลูก อนในเชื้ของเราก็มีอะไรย์มเนี่ยใช่แต่ทุกกรณีอนเชื้อของเราโดยทีเดียวเราจะตะโกนบอกคนทั้งโลกขาดแคลนทำไหมมีแ ม, ม, ม่ตามีลงไปก็นายมีลงไปมุ้ยตายมีลงไปแวกขามีลงไปความไม่ปลอภัยมีลงไปไม่ถือสาหาเรื่องับอะไรเอาลงไปใช่เท่าไหร่ได้มากเท่านั้น เอาเวกขาเท่าไรอะไ ร, ะไรมากเท่านั้นล่นโลกล่นฟ้าไรมิตรภาพทั่วโลกมุยตาเกลนาเมตตาลงไปมันมีแต่อันจะเกิดขึ้นกับซัพไปไหนเนี่ยเป็นต้นที่เกิดแถ่งสันติสุขสันติภาพไม่ใช่จตาวุธไม่ใช่กองทัพไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเลยมันก็อยู่ที่ทำอะไม่อยู่ที่ทาเป็นคู่ของโลก อมมะเป็นคู่ของโลกศาสนาคือคนคนนี่คือตัวศาสนาพุทธศาสนาก็คือตัว ส, ส ต, วติปัญญาปร่ถ้าคนคนถ้าหิวข้าวเขาต้องกินข้าวศาสนาของหิวคือกินข้าวมันต้องเป็นคู่กันอย่างนี้ศาสนาแห่งกายที่มันโล่นต้องอาบน้ําปร่ถ้าความเจ็บปวดต้องกินอยกูกินยาพักผ่อนมันก็เป็นคู่กันคือคนมันมีกายมีใจ เรื่อมีเสื้อผ้าเป็นผู้ของกายของอะไต่งตางๆศาสนาคือคนแต่พุทธศาสนาคือจิตใจเมื่อวันทุกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกหรือว่ามีศาสนาเมื่อมันหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงมีศาสนามีพุทธศาสนาเมื่อมันโกรธเปลี่ยนความไม่โกรธให้ว่ามีพุทธศาสนาถ้ามันหลงไม่รู้จักเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้แม้จะพุทธังจันลงาาังกาจามิก็ใช่ไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนดิปฏิบัติ เพาะันทุกข์ก็เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ด้วยมีพุทธศาสนาพุทธศาสนาใช่อย่างนี้ไม่ใช่ยากจะเป็นทะเบียนบ้านมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมีพุทธศาสนามีศาสนาเป็นคู่ของพระเจ้าตากศินละ์คำปณิธานพระเจ้าตากสินนปะว่าไงอ่านตัวข้าชื่อว่าพระเจ้าตากทนทุกข์ยากกู่ชาติพระศาสนาขอถวายแผ่นดินไว้เป็นพุทธบูชา แก่พระศาสดาสํานัพระโคดมใหอยู่ยงคงทนห้าพันปีสํานักขีพรามณประพฤติให้เหมาะสมปฏิบัติสมรถะวิปัสนาพ่อเชื่นชมขอแต่ไว้บังคมลอยพระบาทศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่กับเจ้าชาติของเราอยู่คู่กับพระศาสนาชาติของเราอยู่กับคู่กับพระศาสนาศาสดาคู่กับกาัตตา พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันมันก็มีกายมีใจเนี่ยแมนะ่พระเจ้าตากกี่ปีมาแล้วพระเจ้าตากสิ น, นที่กอบกู้แผ่นดินขึ้นมาเมื่มออบไปให้พวกเราคนไทยทั้งชาติทั้งโลกเราก็คนเราชาติชาติคือคนคนต้องเป็นคนดีไม่ใช่คนหกสิบล้านคนอ่ะอันนี้จะเรียกว่าชาติไหมชาติคือคนดีคนดีคือชาติเจริญ แต่คนชั่วชาติก็เจ็บป่วยรักนายล ห, นหลวงพวงมาชาต้องสามัคคีกันไม่ใช่รักหนายหลวงเขียนเป็นสติกเกอร์ติดรถใช่ไใช่เราก็อยู่ที่เราเราก็ต้องเป็นคนดีมาไม่เปลีป่ยนตนไม่เปลี่ยงคนอื่นเนี่ยอะไรมันต้องอยู่ที่เราเนี่ยต้องมีการซั์ภายในจึงจะเป็นชาติที่สมบูรณ์แบบเราจะไปทําอะไรเอาอะไรก็ผ่านมาแล้วถึงปูนปนี่แล้ว ทำอะไรก็สำเร็จเลี่ยงลูกเดี่ยงเต้าสําเร็จทําหากินได้สําเร็จไอซับไอเส่นมากมาย ก, ก็สําเร็จแล้วอะไรสําเร็จแล้วให้หันหน้ามาทางนี้บ้างแม่ไหวห้น้องสังยังไม่ได้ศึกษาแล้วนี่ก็ไว้ที่เป็นกลางคนไว้ไปของชีวิตป่ะก็มาที่นี่มามืดไปสว่างได้เหมือนกันมาสว่างไปสว่างอะไรยิ่งดีแต่มื่อ มืดไปมืดมันเสียชาติมันเป็นอย่างนี้ชีวิตเรา